สัมมาสัมพุทธัสสะทิฏฐุมมอิมัมปริยยัสสะอสาายสมันเตหิสัจังธมโโบติติ ต่อไปนั่งภาวนากัน <c oughs> นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับขาซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงยกมือประนมขึ้นน้อมนึกรละลึกถึงคุณประพุทธพระธรรมพระสงค์ภายในใจเรามุ่งหวังเอาคุณประพุทธประธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่ง เราก็จะต้องรู้จากคุณพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ตามความเป็นจริงว่าคุณพระพุทธเจ้ า, านั่คืออย่างไรเราจะพึ่งทันได้อย่างไรเมื่อเราเกิดมาก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าขอยังมีแต่พระคุณของพระองค์ปรากฏอยู่เนี่ยเราจะพึ่งได้อย่างไรเราต้องพิจารณาตรวจตองดูให้รู้เราจะพึ่งคุณพระธรรมนั้นได้อย่างไรพระธรรมนั้นอยู่ที่ไหน ทำของพระท่านไว้อย่างนั้น เ, เราจะพึ่งพระธรรมได้ก็ต้องน้อมนําเอาพระธรรมคำสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้มีขึ้นภายในตนของตนเองเราจะพึ่งคุณพระสงฆ์ได้อย่างไรพระสงฆ์ท่านก็อยู่วัดน่ะอยู่ในกุฏิอวิหารลุงลานสลาของท่านแหน่เราจะพึ่งคุณพระสงฆ์ได้อย่างไรพระสงฆนะ์นั้นนะ่ะมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไร ท่านปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเราต้องน้อมนึกเออระลึกถึงเดี๋ยวได้น้อมอาพระคุณของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้ดีขึ้นภายในตนของตนอย่างพระสงฆ์ปฏิบัติ ด, ดีถ้าหากเราปฏิบัติไม่ดีเสียงเราจะพึ่งคุณพระสงฆ์ได้ไหมมันก็ไม่ได้พระสงฆ์ท่านปฏิบัติ ด, ดีเราก็ต้องปฏิบัติ ด, ดีอย่างท่านมันจึงจะได้พึ่งพระคุณของท่านเนี่ยพิจรารณาตรวจสองดูให้รู้ให้เข้าใจ เบื้องต้นขอให้น้อมนึกและลึกถึงพุทธโธเมนาโถขอคุณพระพุทธเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าที่ใจธรรมโมเมนาโถขอคุณพระธรรมเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าที่ใจสังโฆเมนาโถ ขอคุณพระสงฆ์ข้าเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าที่ใจพุตโทธรรมโมสังโฆ <c oughs> สังโฆธรรมโมพุทโทพุทโท ทำโมสังโคมือวางลงมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงตอนนั้นไปท่านขวัยพิจรารณาศินเพราะสินนี่เป็นองค์มรรคข้อต้นเรามุ่งหวังจะบําเพ็ญมรรคให้เจริญมรรคของเรามันจะเจริญขึ้นไปได้ก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้จกักมรรคจะทํามรรคให้เจริญขึ้นเป็นของยาก ความรู้จักมรรคเป็นวิ ช, ชายอย่างหนึ่งรู้จักมรรคก็คือศิลข้อขต้นให้พิจารณาศิลชํ่มระสินก็ราให้บริสุทธิ์ป่องใสก็เดี๋ยเจตนาวิรัติดงดเว้นภายในใจของตนข้าพเจ้าเจตนาวิรัติงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าเจตนาวิรัติงดเว้นจากการรักทรัพย์ข้าพเจ้าเจตนาวิรัติงดเว้นจากการประพฤติในทางกาม ข้าพเจ้าเจตนาวรัตน์งดเว้นจากการพูดปดข้าพเจ้าเจตนาวรัตน์งดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยข้าพเจ้าเจตนาวรัตน์งดเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิการข้าพเจ้าเจตนาวรัตน์งดเว้นจากการดูการฟังซ้อนลำขับล้องเครื่องขับประโคมดนตีดิสติป่าว และประดับประดาตกแต่งร่างกายโดยดอกไม้และของหอมข้าพเจ้าเจตนาวรัตนงดเว้นจากการนั่งนอนเหนือเสือสาสตร์อาสนะอันสูงใหญ่ภายในยัตนื้สัมฤทข้าพเจ้าเจตนาวรัตนงดเว้นจากการรับเงินและทองสินข้อนี้เป็นศินของสามเณรและพระของพระภิกษุ คำที่ว่าเจตนาวิริย ก, ก็คือคิดมดเว้นถ้าเราคิดมดเว้นอยู่เป็นเนืองนิดคิดมดเว้นทุกวันทุกวันมันก็เป็นสินไปทุกวันเออสําคัญว่าเราจะไปคิดล่วงละเมิดเข้าถ้าไปคิดล่วงละเมิดเข้าก็เรียกว่าทํำลายสินเออถ้าเราคิดมดเว้นอยู่ทุกวันสิสินมันจะมีกําลังแ ก, ะกะ่กล้าแข็งแกร่งขึ้นเป็นลําดับลําดับอ่าจนกว่าสินของเราจะเข้าถึงโลกุตละสินละอะไรเนี่ย ละความยินดีได้ขาดความยินดีนี่แหละมันทําลายศินเดี๋ยวก็ยินดีในการรักษาสินเดี๋ยวก็ไปยินดีในการทําเลนกลับไปกลับมาอันนี้ความยินดีนี่มันทําให้จิตใจกลับออกไปมาจิตใจไม่แน่นอนมัน่นคงรักษาสินไม่ได้เจริญไม่เข้าถึงตะที่ินก็เพราะตั้หาความยินดีฉะนั้นะเรารักษาสินมุ่งหวังจะ เลิกละปัญหาความอยากความยิดีภาดีดวงจิตดวงใจให้หมดไปสิ้นไปอันเนี้ยการรักษาศีลเพื่อเออต้องการความหลุดพ้นจากอำนาจของตัญหาไม่ใช่รักษาศีลต่อตัญหารักษาศีลอยากเอออยากได้อา น, นิสงส์มันว่าเรารักษาศีลอยู่เมื่อตายแล้วขอให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพบาติดาปิตินเป็นผมอันนี้หรือรักษาศีลด้วยความอยากความปรารถนาหรืออยากได้โพกัสทรัพย์สมบัติ ในพื้นภู้มนุษย์เมือเ่อไปเกิดในภพดใดฉันไปก็ข อ, ขอเป็นผู้มั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยพกทรัพย์พสมบัติอันนั้นเทวะรักษาสินุตัญหาความอยากไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกได้อยูอ่อันนี้สงแห่งสินนั้นได้อยู่เมื่อเรายังท่องเที่ยวไปวัฏสงสารแต่วัตถุที่เราได้มานั้นอ่ะมันก็เป็นวัตถุที่ตั้งทุกนั่นแหละเออ ม, มั่งก็มมีคมล่คาคมรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเออเวลาตายลงกับตังเดียวไปไม่ได้เราก็เห็นกันอยู่อย่างนั้นแหละสมบัติโลก เครื่องใช้ของโลกชั่วขาวเออเนี่ยมุ่งหวังว่ารักษาสิ่น่ะมุ่งหวังจะเลิกละตัญหาความอยากในสิ่ง ใ, ใดๆทั้งหมดเออให้จิตใจมาหลุดพ้นจากหน่กของตันหาเพื่อบรรลุพันิพานไปจุดหมายปลายทางที่พ้นจากทุกนี่เมื่อเราพิจารณาสิ่งชำระสินงก็รองให้บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นดีแล้วอ่าในระดับต่อไปนั้นก็ให้เจริญเมตตาให้นึกขึ้นภายในใจของตอน เมตตาเมตตาจิตเมตตาใจอย่าไปสร้างความอยากความอยากมันเป็นเหตุเกิดทุกข์เอออยากในสิ่งใดใดก็เป็นเหตุกระทุกข์ทางนั้นแต่ต้องการความสงบเยือกเย็นสบายก็ต้องเลิกละปัญหาความอยากออกจากใจอันนั้นที่ว่าเมตตาใจเออตนเมตตาตนเราเมตตาเราไม่ได้ใครจะเมตตาผู้เผยเจ้าท่านสอนให้ทําเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ทําตามคําสอนของผู้เผยเจ้าแล้วที น, นี้เราก็ไม่ได้เมตตาเป็นที่พึง เมตตาเพียงปากเมตตาอยู่นอกใจเมตตาคนโน้นคนนี้แต่ใจตัวเองไม่เมตตาสร้างตัณหาความอยากให้เกิดขึ้นมันก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะตัณหาเป็นฝ่ายูมุทยเห็ุได้เกิดทุกข์ไม่ใช่เห็ุได้เกิดสุขเมตตาจะเป็นเหตุได้เกิดสุขทันวันเมตตาเจตโตปิมุตต์จิตใจหลุดพ้นจากหน้าของตัณหาด้วยเมตตาใจจริงๆต้องการให้ใจมีความสุขสงอบเยือกเย็นสบายนัตติสันติปรังถูกขังน่ะทุกอื่นยี่กวความสงบไม่มี เ่ยเหมือใจมันสงบจากปัญหาเลือกละทั้นหาออกจากจิตใจเสียได้แนะ่จิตใจก็มีความสุขสงบนนั้นว่าเมตตาใจจริงๆเออใจเมตตาใจใจต้องทําเมตตาไม่ได้ใจใจจะได้พึ่งเมตตาเอออย่าไปคอยใจเมตตาคนอื่นเมตตาใจตัวเองได้ไหมต้องดูดีๆเออดูให้มันถูกต้องให้มันเห็นสูกต้องตามคนาเป็นจริงในเหตุในผล เมื่อเราทำเมตตา้มีภายในดวงจิตดวงใจท่องสนแล้งท่านก็ให้แผ่เมตตาจิตออกไปทั่วทุกทิศทุกทางขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทาั้งปวงในโลกจงเป็นสุขเป็นสุขทุกทักท่วหน้าเถิดความสุขนี่แม้แต่ตาเดรัจฉานก็ขอปรารถนาอือฉะนั้นท่านจึงให้แผ่เมตตาจิตอย่าเลยมีความเบียดเบียนสึ่งกันแลยกันอย่าเลยทำลายล่างผานซึ่งกันแลยกันอืจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดนง่าย ตอนนั้นไปที่นี่ก็ให้ตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกตั้งสติท่านว่าให้ตั้งสติสติก็คือความระลึกใครเป็นผู้ตั้งใจใจตั้งสติระลึกในลมหายใจเข้าออกให้สังเกตรกำหนดลมหายใจเข้าออกให้ได้แจ่มแจ้งชัดเจนอะพร้อมจังใช้คำวิธีกรรมภาวนาเนี่ยคุดโถ พุโทโธแปลวผู้รู้สอนใจให้รู้ลมอย่าให้มันไปหลงกับลมหรืออย่าให้มันไปหลงกับเรื่องอื่นให้มันรู้แน่นิ่งอยู่ที่ลมถ้าจิตใจมันรู้แน่นิ่งอยู่ที่ลมได้แล้วมันจะไปไหนอเพราะความรู้แน่นิ่งจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิมรรคที่สองเมื่อจิตใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วปัญญาไม่ไปไหนปัญญาย่ยอมทวนกระแสกลับเข้ามาเห็นกายเห็นใจได้เออ ถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วที่เป็นของยากปัญญาเห็นได้เรื่องเรื่องภายนอกวงนอกเห็นได้อาการกิริยาของจิตของกายไม่เห็นเหตุเนี่ยปัญญาจะกลับมาเห็นเหตุได้เนี่ยต้องอาศัยจิตใจที่ตั้งมัน่นท่านจึงชี้ว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็เกิดปัญญารู้เห็นเนี่ยกองสังขารตามกว่าไป็นจิตเนี่ยกองสังขารก็คืออะไรกองสังขารก็คือลมเนี่ยกายสังขารจิตสังขารก็คือความคิดนั่น เมื่อ <aut Kalau> เห็นลมเห็นความคิดแล้วท uh ีนี้อานิจจังทุกขังอนัตตามันจะไปไหนต้องเห็นได้เพราะความคิดก็เป็นเรื่องอานิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละลมนี่ก็เป็นเรื่องอานิจจังทุกขังอนัตตานั่สังขารต่างพวงไม่เที่ยงออืสังขารก็คือลมความคิดสังขารตัางพวงเป็นทุกข์ลมมันก็เป็นทุกข์ความคิดก็เป็นทุกข์คิดมากๆบางคนคิดเป็นมากจนเกิดโรคประสาทจนมันไม่หลับมันเป็นทุกข์นี่ย ลมอ่าเป็นธาตุเป็นททอนัตตาความคิดมันก็เป็นธาตุเอนัตตาไงแต่ใจมันไม่รู้มันไม่รู้เพราะ อ, อะไรเพราะไม่เห็นปัญญาไม่เห็นที่เนี้ยอ่าก็เลยไม่มีอะไรสอนจะให้รู้ก็เลยหลงที่เนี้ยหลงกับความคิดหลงกับลมหลงกับลมนี่เป็นเราหลงกับความคิดเป็นเราเราคิดความคิดความนึกเป็นเรานานหล ง, ลงหลงอย่างนั้นที่เนียกวเกิดความยินดี คิดดีก็เกิดความยึดดีคิดไม่ดีก็เกิดความยึดไล่ขึ้นมาเออลมดีก็เกิดความยึดดีลมไม่ดีก็เกิดความยึดไล่ขึ้นมานั่นอ่าแล้วหมาแล้วเขาไปยึดไปถือเรามีเราเป็นเรามีเราเป็นยุ่งใหญ่เออมายึดกายกับใจนี่แล้วยึดความคิดความนึกแล้วทิ้งมันก็ต่อไปเรื่องภายนอกเออยึดหัวเราเหียเราหลุกเราร้านเราบ้านเราเรือนเรา วัวเราควายเรารถเรานาเราสวนเรามีแต่ของเราเท่าทุดอนะตาเลยไม่มี <c oughs> มีแต่ตัวแต่ต้นแต่ของของเราทั้งนั้นถ้ามาละเสียวปล่อยเสี้ย ว, วางเสียละไม่ได้ของเราจะไปละยังไงก็มันของเราดูละไม่ได้แหละแตเห็นเป็นของเราอยู่มันต้องเห็นอนัตตามันจึงจะละไดออ้ถ้าไม่เห็นอนัตตาเราไม่มีทางเนี่ยพยายามตั้งใจ ตั้งใจดีๆมุง่งหวังจะทํามัดทำผลให้เป็นี่พึ่งของใจมัดผลเนี่ยใครทําให้ไม่ได้ผัวก็ทำให้เมียไม่ได้เมียก็ทําให้หัวไม่ได้พ่อแม่ก็ทําให้ลูกไม่ได้ลูกก็ทําให้พ่อแม่ไม่ได้มู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยใครก็ทําให้ใครไม่ได้เอเป็นของใครของมันกรรมเป็นของของตอนตนต้องทําำจิตใจต้องทําถ้าใจไม่ทําเอาแล้วที่นี่เออใจได้ไม่ทําที่จะไปสําเร็จมัดผลที่ไหนก็เพราะไม่ทำตาม สินมีอยู่แต่ไม่ทำสมาธิมีอยู่แต่ไม่ทำปัญญามีอยู่แต่ไม่ทำวิชามีอยู่แต่ไม่ทำถ้าใจไม่ทำทีนี้จะไปมีวิชาอย่างไรจะไปมีปัญญาอย่างไรจะไปมีสมาธิอย่างไรจะไปมีศีลอย่างไรก็ไม่มีเพราะไม่ทำท่านสอนให้ทำแต่ไม่ทำเหมือนท่านบอกให้กินข้าวแต่ไม่กินเนี่ยหรือกินไม่พอมันก็ไม่อิ่มเนี่ยรู้ทำและปฏิบัติตามธรรมเนี่ยให้สมควรแก่ธรรม ถ้าใครปฏิบัติตามและทำคำสอนพระเจ้าเนี่ยท่านว่าเป็นนิยานิการทำสามารถจะทําบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับความสุขตลอดทั้งความพ้นจากทุกข์เป็นประโยชน์สารคนในปฏิบัติตามจริงพระเจ้าฉันยกนิ้วให้เลยภาษิตข้อยเดียวเท่านั้นแหละทำตามจริงๆแล้วบรรลุมรรคผลได้จนถึงภูมพิพภาราษฎ์ถ้าไม่ทําตามแล้วหูต่นงต่างร้อยภาษิตอยู่ที่บางคนที่มาเข้าวัดเข้าวา่ทพาทําผภาเพื่งเนี่ยตั้งมาตั้งเกปีสิบปี อสอนจนปากเปียกพรรษาหนึ่งโลเทยนะไม่รู้กี่ครั้งในฟังนับแต่เป็นหลายร้อยครั้งจิตเรศยังท่วมหัวเอาไปเอามาก็าเลยเสื่อมสตากิตเรศของตัวเองมันฆ่าตัวเด็กคนเราไม่รู้จักก็ไปมองเห็นแต่คนอื่นบอกคนอื่นไม่ดีแต่ตัวเองไม่ดีนะ่ะมันมองยากนะทําให้มีปัญญาเกิดขึ้นอะไม่เห็นเห็นตัเองบ้างเห็นคนอื่นบ้างเห็นคนอื่นบ้างเห็นตัวเองบ้างต้องเห็นไปเห็นมา แต่ว่าตอนที่จะละกิเลสตัวเองมันต้องเห็นตัวถ้าไม่เห็นตัวเองละไม่ได้นี่พูทธะเห็นตนผู้ธะเห็นธรรมเห็นว่าผู้ธะเห็นธรรมพุทธะเห็เราแต่ถากดพระพุทธเจ้าก็รตสังขีไว้อย่างนี้เนี่ยตอนที่ว่าปัญญาจะย้อนกลับมาเห็นตนเนี่ยมันต้องอาศัยจิตใจคิดตั้งมันถ้าใจไม่ตั้งมัาละดูยากดูกาก็ยากดูใจก็ยากเห็นกายตามความเป็นจริงก็เห็นยากยิ่งเห็นใจดูมันละเอียดนามธรรมนั่น่ะ ต้องอาศัยปัญญาละเอียดอีกด้วยเมันอที่จะทวนกระแสเข้าไปเห็นอ๋อใจหลงเป็นอย่างไรหนาะใจยินดีเป็นอย่างไรหนอใจยินไล่เป็นอย่างไรเนอใจมันเห็นผิดเป็นอย่างไรหนอใจมันยึดถือเป็นอย่างไรหนอะนี่อถ้ามีปัญญาก็จะเห็นอถ้าไม่มีปัญญาเห็นยากกิเลสภายในใจเนี่ยอะฉะนั้นคนเราจึงรัดกิเลสออกจากหัวใจตัวเองได้ยากเพราะปัญญานี่แหละ่อนถ้าว่าปัญญาแก่กล้าเก่มแข็งแล้วก็อาจจะ ง, ง่ายเข้า เห็นถูกต้องตามควาเป็นจริงเป็นเครื่องสอนใจตัวเองจิตใจมันก็จะเลิกละกิเลสออกจากดวงจิตดวงใจได้จิตใจก็จะเปลี่ยนไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเนี้ยเรามุ่งหวังความพ้นทุกข์ให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจทําที่พึ่งให้แก่ตัวธรรมะทําผลให้มีเกิดภายในดวงจิตดวงใจเพื่อจะได้พึ่งมรรคพึ่งผลภายในดวงใจที่ทํานั้นเนี่ยให้ตั้งสติกําหนดไปที่ลมพร้อมดั่งคาบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธแล้วผู้ลุก ท่านสอนให้ใจรู้นะไม่ใช่สอนให้ใจหลงเอสอนให้ใจรู้รู้อะไรรู้บาปที่ควรละรู้บุญที่ควรทํารู้สินรู้สมาธิรู้ปัญญารู้วิชารู้วิบุตรเนี่ยท่านสอนเป็นลําดับอย่างนี้เราต้องรู้ต้องเข้าใจต้องประพฤติปฏิบัติตามให้ถูกต้องเมื่อประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องแล้วเออถ้ารู้จริงแจ้งเด็ดชัดล่ะจะไปไหน ลกกูกยิงแจ้งจะชัดละหลงเียได้บิมุดไม่ไปไหนดอกหลุดพ้นแน่นอนาทาคําสอนพระที่เจ้าสนรับรองเอาไว้แด้ถ้าทําตามนอกจากเราจะไม่ทําตามนั้นแหละท่านสอนให้ลูกกลับไปหลงเสียก็เล่าเรื่องออเคยเลยว่าฟังทำก็เลยไม่ได้ผลเขาวัดเขาว่าก็เลยไม่ได้ผลเอาไปเอามาเพ่อนที่ยวจะได้บุญกลับได้บาปอเออสร้างบาปขึ้นมาอ่ะนี่ เนี่ยจงตั้งสติกำหนดลมให้สังเกตกำหนดลมหายใจเข้าออกได้จแจม่มแจ้งชัดเจนว่าหายใจเขาออ้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรเมืม่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมสังเกตกำหนดลมหายใจเข้าออกได้จแจม่มแจ้งชัดเจนแล้วทีนี้คำบริกรรมภาวนาเราจะหยุดก็ได้อถ้าหากว่าสติของเรายังไม่แก่กล้ามันมักจะพลังเผลอลืมลืมอยู่ก็ใม้ใช่คำบริกรรมภาวนาตัวนะี้เป็นเครื่องสอนใจเอาไว้ พุธโทพุธโทควบคู่กับการกําหนดลมหายใจเข้าออกนั้นนะจนว ม, มาสังเกตดูใจว่าใจมันลู้ได้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะมีสติตัวนั้นตั้งความระลึกเอาไว้เข้มแข็งระลึกไว้ในลมรู้ลมอถ้ารู้ลมแน่วแ น, วแ น, วแนว่มั่นคงนี่คำวิธีกรรมภาวนาจะอยู่ก็ได้อฉะนั้นจงตั้งสติกําหนดไว้ที่ลมอย่าลืมลมคือณวันนี้ เป็นวันสามัคคีเราท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมเพียงกระดับในสถานที่นี้เมื่อได้พากันประกอบในบุพกิจเบื้องตอน้นตามที่เราเคยทํามาก็ได้แก่การไหว้พระตรวจมน์เออน้อมนึกระลึกถึงคุณพระพุทธประธรรมประสงค์การพัลนาคุณพระพุทธประธรรมประสงค์เนี่ยเมื่อเราพัลนาได้มากรู้และเข้าใจเนื้อความของคุณพระพุทธประธรรมประสงค์ในตามความเป็นจริงมันเป็นอุบายที่จะ เออทําให้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเรามีกําลังก้าวหน้าไม่ถอยหลังอก้าวหน้าจนถึงไหนจนถึงโน่นแหละศรัทธาบิมุติปิดใจ ห, หลุดพ้นจากหน้าของกิเลสโดยศรัทธาอันนี้ชื่อว่าศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าถ้าเราทํากรรมดีจะได้ดีเออถ้าทําดีจริงๆแต่ทําดีเพิ่มเติมไปเรื่อยๆไม่ทําชั่วมาเพิ่มเติมแล้วมันจะไปไหน เนี่ยเขามีแต่ความดีเพิ่มเติมมีแต่บุญกุศลเพิ่มเติมมีแต่มรรคผลเพิ่มเติมจนมันเต็มเปลี่ยนบริบูรณ์อภายในดวงกิจวงใจเนี่ยจนจิตใจมันหลุดพ้นจากหนักของกิเลสได้อาจารย์จิาดศรัท ธ, ธาวิบุตรใจหลุดพ้นจากหนักของกิเลส ด, ด้วยศรัท ธ, ธาเนี่ยเชื่ออเชื่ออะไรทีเนี่ยต้องมาพิจรารณาเชื่อกำการกระทํา ใจทำความโลภใจทำความโกรธใจทำความหลงอันนี้เป็นกรรมชั่วกรรมไม่ดีใจไม่ต้องการละเสียละเสียเนี่ยมันมารู้มาเห็นละร่าก็หลุดนั่นนะท่านบอกศัทธาวิมุตต์ใจหลุดพ้นจากกิเลสจากบาปกุศลด้วยศรัทธาเนี่ยแล้พิจารณาตรวจตองภายในดวงใจของตนตอนนี้ไปจะได้อธิบายขยายภาษิตคาถาที่ได้ยียกตั้งไว้เป็นนิเขป บ, บทในเบื้องตนนั้นถึงมีใจความว่า ทิฏฐุชุกกรรมะแปลว่าออการทําความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงนี่สำหรับมันเป็นบุญอืท่าจึงจัดเขาในบุญกิเลวัตถุเอข้อนี้เป็นเป็นบุญกิเลวัตถุข้อที่สิบข้อที่สิบธนว่าทิฏฐุชุกกรรมะการทําความเห็นให้ตรง เท้าบุคคลผู้ใดมีความเห็นตรงถูกต้องตามก็เป็นจริงแล้วที่นี่เออท่านว่าทําให้รวดเร็วทําบุญก็ทำํำในรวดเร็วทำมัทธิ์ทผลก็ทำํำในรวดเร็วอตลอดถึงว่าต้องการหลุดพ้นจากกิเลสเอ่ก็มันเห็นตรงว่าอะไรเป็นกิเลสละเสียละเสียมก็หลุดนั่นท่านจึงว่าบางแห่งตั้ริงที่หว่สัมมาทิฏฐิสัมมาญาณะส ม, มัยมุติเห็นชอบหลุชอบละชอบหลุดพ้นไปเลยที่าจิตใจยังไม่หลุดพ้นกับเพราะอะไรเพราะยังรู้ไม่ชอบ รู้ไม่ชอบพราออะไรยังเห็นไม่ชอบทําไมถ้าเจอเห็นไม่ชอบคือความเห็นของเราเนี่ยมันยังไม่ถ้าไม่ชอบกับพ่ออะไรความเห็นตัวเนี่ยมันยังไม่ตรงบางทีว่าความเห็นนั้นะอาจจะเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วอย่างเนี้อันนี้ฉันว่าเรีวความเห็นไม่ตรงสิ่งที่ชั่วกับเห็นว่าเป็นของดีสิ่งที่ดีกับเห็นว่าเป็นของชั่วอันนี้เหลยความเห็นไม่ตรงต่อธรรมที่เรียกความเห็นตรงมันอย่างไรต้องเห็นดีเป็นดี เห็นชั่วเป็นชั่วอย่างเนี้ท่านเดี๋ยว่าทําความเห็นให้ตรงถ้าเห็นตรงว่าโอ้จริงได้มันชั่วมันไม่ดีอก็จะได้ถามใจก็ชั่วอย่างนี้ใจต้องการไหมบาปอย่างนี้ใจต้องการไหมกุศลอย่างนี้ใจต้องการไหมเหตุใดเกิดทุกข์อย่างนี้ใจต้องการไหมมันจะรับคําตอบขึ้นมาจากใจของเราเองไม่ไม่ไม่กถ้าใครทําห่ะใจไม่ทําไม่ใช่หรือใจทําก็จะให้ใครละสิ่นี้ใจละใจละถ้าใจละป็ลุดนัด อบางทีว่าเจียเจียมันยังไม่หลุดกับพูดเพราะใจไม่ละที่ใจยังไม่ละก็คือยังความเห็นนี่ยังไม่ตรงเอะฉะนั้นท่านจึงว่าให้ปรับปรงความเห็นให้พิจารณาเทียบกันความเห็นถูกกับความเห็นผิดนั่นแหะให้พิจารณาเทียบกันเออเห็นอะไรเรว่าเห็นถูกเห็นอะไรว่าเห็นผิดเห็นผิดก็คืออะไเห็นชั่วเป็นดีบางทีว่าเห็นดีเป็นชั่วนะ การให้ทานไปของดีเห็นเป็นของชั่วไปเสียรักษาศีลอย่างเนี้ยเป็นของดีเห็นว่าเป็นของชั่วไปเสียรักษาศีนไม่ได้การทําสมาธิเนี้ยเป็นของดีแต่เห็นวเป็นของชั่วไปเสียทําสมาธิไม่ได้กลัวเป็นบ้าเป็นว่าเอการเจริญปัญญาเนี้ยการพิจารณานิจังทุกข์ฆาตานตานเป็นของดีแต่เห็นว่าเป็นของชั่วไปเสียอ้ยเรื่องอันนี้จังเรื่องทุกขังเกิดแก่เก็บตายไม่อยากนึกไม่อยากคิดไม่อยากพิจารณา ทางมันพิจะะนารณาแล้วมันจะไปเห็นจริงแจ่มใสชัดอย่างไรเพราะทางจะดําเนินเข้าไปสู่พระนิพพานจะต้องฐานความเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์เสียก่อนมันไปไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงจัดเขาในหลักของอริสัต์ข้อต้นให้เห็นทุกข์กันว่าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าให้เห็นทุกข์แต่เห็นทุกข์มันจะไปติดในสุกนั่นแหละเอเอไม่เห็นทุกข์ลวมันจะเกิดความสังเวชสลดใจอย่างไรจะเกิดความเบื่อคุามนายได้อย่างไร เนี่ยเราพิจนนารณาตรวจสองอันนี้ความเห็นในในส่วนสูงขึ้นมาอันกลับเป็นทางยั่งาสุอรียภูมิการบรรลุอ่าบรรลุภูมิธรร ม, มของพระอริยะที่นี้เราจะต้องสาวถึงเบื้องต้นแห่งความเห็นอที่ท่านว่าทำก็เห็นนิดตรงเออเห็นตรงต่อกับในเบื้องต้นนั้นน่ะท่านว่ า, ากรรมสกตาปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยก็คือเรืเครื่องเห็นเครื่องเห็นตัวนี้ท่านท่านจึงเชื่อว่าทิฏฐิ ทิฏฐิแปล ว, ว่าความเห็นถ้าเห็นถูกธเรียวสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นผิดธเรียวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมิจฉาทิฏฐินี่แหละมันเป็นทางที่ว่ากางกาั้นการบรรลุอิมุติถ้าเห็นผิดปฏิบัติผิดแล้วที่นี่ไปยากเพราะเดินทางผิดคนเราถ้าเห็ น, เ, นเห็นผิดแล้วที่นี่ปฏิบัติผิดอืมมันก็ไปคล้องไปติดไปขำไปคาเลือกระละไม่ได้บางคนก็เลยไปถือมันในความเห็นผิดถ้าว่าผิด ชั่วไม่ดีละเสียละไม่ได้นั่นแ่ะละไม่ได้เอก็ทํำกรรมชั่วกรรมไม่ดีเมื่อละไม่ได้จะหลุดพ้นไปได้อย่างไรมันก็หลุดพ้นไปไม่ได้เนี่ยจะต้องเห็นตามพอเป็นจริงของมันทมเราอีกด้วยเอว่าความชั่วความไม่ดีบาัพภุสุนเราต้องการไหมเมื่อเราไม่ต้องการเออขอละสิเราเป็นคนทําอำเราทําเราละเออถ้าเราละมันหลุดเนี่ยที่มันไม่หลุดก็คือไม่ละยังทําอยู่ เออนี่ยังทําอยู่นี่ท่านจะให้พิจารณาตรวจตองอ่าตรวจตองความเห็นเนี่ยเพื่อจะปรับปรุงความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงอืมเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกเมื่อเห็นผิดตามความเป็นจริงแล้วทีนี้จะได้พยายามกลับเออคนเห็นถูกมันก็ตรงกันข้ามอืมตรงกันข้ามอย่างพิจารณาเบื้องต้นดูจีอย่างคนเห็นว่ามัจฉริยะดีนั่นะที่เรามัจฉริยะดีอ่ามีวัตถุขอของเงินทองหรอกตนีนั่นห่วแเห็นเอาไว้ อ่ไม่ต้องการให้มันหมดมันสิ้นต้องการแต่จะให้ได้มาเพิ่มมากๆให้ร่ําให้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเออมั่งมีเงินทองมากๆเ อ, อเรื่องให้เรื่องสละเรื่องหมดเรื่องสิ้นไปเนี่ยออไม่ต้องการให้มีต้องการแต่จะให้มาให้มีมาเพิ่มอืเหมือนอย่างเศรษฐีในสมัยก่อนนั้นนะ่ะที่มีความเห็นผิดเออเ อ, อ่ามีความเห็นผิดนั่น เขาเนี <äng> ้ยนำสั่งสอนลูกเขาเออทรัพย์สมบัติของเราถิมีอยู่เออนั้นแหละยาได้ใช้ใจจับตายใช้สอยสู้ร่ายให้มันหมดแมนเปืองให้มันสิ้นไปเอให้หามาเพิ่มเติมให้มากเอออย่าไปให้แกคนอื่นเอออย่าไปทานเออจะไปให้แกญาติโยกวันในพวกคนงำผ้าอนาถาอออย่าไปทานแกสมณะชีพามเอออย่าไปบำเพ็ญบุคคลอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นทางแห่งความเสื่อมความเสื่อมทรัพย์จิ้นทัพเปืองทรัพย์อ่าไปอย่างนั้นเออเนี่ยเราควรจะไปแสวงหามาให้ได้มากให้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ใหญ่มันหมดมันสิ้นไปเนี่าเรียกว่าอสอนลูกไปในแนวทางมัจฉริยะความตณีหรือว่าสอนไปในแนวทางมัจฉริยะความตณีเหมือนอย่างอามัฏะกุลตลีนั่นแหละพ่อ ท, ที่เป็นพ่อเป็นแม่สอนลูกอสอนลูกเออให้แส้ขาโฟกสัสทรัพสมบัติมาเมื่อได้มาแล้วก็เอาให้เก็บพร้อมรอมริบอเอาไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราจะได้มั่งมีร่ํำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีอย่าไปจับใจใช้สอยเอออย่าไปกินไปทาน น, านั่นแหะ จนว่าถึงการเวลาที่ควรจะทำประโยชน์ก็ทำไม่ได้ถึงว่าุรคภัยถพาเจ็บเกิดขึ้นมาจะเอาเงินไปซื้อยาก็กลัวจะหมดซื้อยามากินก็กลัวจะหมดเอาไปเอามาเขาเลยต้องปล่อยให้ลูกตายเงออินก็เลยช่วยอะไรไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เพราะอะไรเพราะโทษแห่งความตณีนี่มันไปอย่างไรความตณีไปจะอะไรเป็นไปจากความเห็นเห็นผิดเห็ น, นวความตณีเนี่นี่ของแหนเป็นของดี ไม่เห็นว่ามันช่วมันไม่ดีแต่ความคณีนันแห่งหวงเห็นมากๆเข้าที่เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ตนเองเลยแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เจ้ามากินมาใช้ก็ไม่ได้เพราะกลัวมันจะหมดน่ะมันจะเกิดประโยชน์อะไรแม้แต่ประโยชน์แก่ตนเองก็ไม่เกิดเนี่จะไปให้ทานคนอื่นก็ยิ่งแล้วให้ทานไม่ได้อันนี้ท่านว่าความเห็นผิดมันเป็นเครื่องกางกันก้นการบำเพ็บุญกุศลทานบรารมีไม่มีกําลังแก้ก็าแข็ง ก็มีแต่บาปจากอกุศลนะมีแต่ความตันหนีเนื้อหวงแห น, นั่นแหละมันมันแก่กายแข็งแขงขึ้นเอาไปเอามาที่นี่โทษของอันเนี้ยเออถ้าอา่าถ้าเลิกละมันไม่ได้จนถึงตายก็ต้องกลับบางคนอ่ตะตันนีเนื้อหวงแหนั่นซับจะเอาไปฝังไว้ตายแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นงูเฝ้าอ่ะไปเกิดเป็นหนูเฝ้าไปเกิดเป็นผีเฝ้าเนี่ยเพราะโทษแห่งความตนาันีเออนี่ยท่านว่ามันไปจาบไปจกักความเห็นผิดดียเห็นไม่ตรงเออเห็นไม่ตรง เห็นไม่ถูกต้องตามควาเป็นจริงจริงนี้มันเป็นของชั่วแต่เห็นเป็นของดีไปเสียนั่นน่ะมันเป็นบาปแต่เห็นว่าเป็นบุญไปเสียเนี่ยอันนี้เราความเห็นไม่ตรงท่านว่าเห็นมาเห็นชั่วเป็นดีเห็นบาปกุศลเป็นของดีเออก็เลยพอใจทําอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ย่ามันก็เลยให้โทษแกตนเองที่ในระดับที่สองที่สองต่อไปอีกกันท่านว่าเห็นชั่วเป็นดีคืออย่างไรเนียเห็นว่าการฆ่าสัตว์เป็นดีฆ่าสัตว์มันไม่ดีถ่านว่ามันเป็นบาปยากุศลที่ให้เกิดผลคือความทุกข เออทุกทางตนเองทุกทางบุคคลผู้อื่นเบียดเบียนตัวตนเองและบุคคลเบียดเบียนทางบุคคลผู้อื่นแต่เห็นว่าเป็นของดีนั่นพราะคนเราเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นดีนี่แหละจึงลกมันได้อยากคิดว่าการฆ่าแายเป็นดีเออไปฆ่าได้มากๆโอ้ดีอกีใจฆ่าปูได้ฆ่าปลาได้ฆ่าเป็ดได้ฆ่าไก่ได้อย่างเนี้ยฆ่าหมูได้ฆ่างัวได้ฆ่าควายได้อย่างเนี้ยเออฆ่านกฆ่าหนูได้เออถ้าไปฆ่าได้มากๆโอ้ดีอกีใจเออเรารวยเนี้ยเออจะได้มาปิ่งมาแกงมาราบมาอม ตลอดตัวได้มากมากเอาไปขายได้เงินมันไม่ดียังไงค่าสัดอ่ะบางคนอย่างพวกชาวประมองอย่างนี้ดูสิถ้าไปหาปลาในทะเลได้มากมากก็เอาขึ้นมาขายแม่ดีเดี๋ยวปีใจเราได้ได้เรารวยเรามั่งเรามีขึ้นเพราะอะไรเพราะทําประมงเนี้ยนั่นอ่ะไปเห็นแต่แค่นั้นเห็นแต่ ว, วัพถุสมบัติที่เกิดขึ้นได้เพรา ะ, ะการค้าขายสิ่งนั้นแต่ไม่ได้มองไปไกลไกลมองไปไกลไกลอีกเ อ, อนาคตข้างหน้า หรือจะพิจารณาใกล้ๆแต่ไม่ได้น้อขามขำมในอิสต่อือยอไปฆ่าสัตว์ได้ยางเนี่ยเราไปฆ่าเขาถ้าเขาฆ่าเราบ้างจะเป็นยังไงมันจะดีจริงไหมลองพิจารณาอย่างนี้ดูเราก็จะเห็นโทษได้ง่ายๆเหมือน